วันนี้หลวงพ่อต้องไปทุระข้างนอก10โมงสอนโยมได้ไม่ถึง10โมงนะต้องแบ่งเวลาให้พระสัก20นาทีเพราะงั้นเรารีบเรียนหน่อยคนที่ไม่เคยมาถ้าเคยฝึกกรรมฐานอะไรอยู่นะถ้ากรรมฐานนั้นเกี่ยวเนื่องด้วยกายด้วยใจก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเลิก แต่เราฝึกต่อยอดให้มันขึ้นวิปัสสนาจริงๆให้ได้กรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจต่อไม่ได้ต้องมาปรับใหม่อย่างกรรมฐานที่ไม่เกี่ยวกับกายกับใจเช่นไปนั่งเพ่งไฟทำกสินไฟกสินดินกระสินน้ำอะไรมันดูออกนอกดังนั้นต้องมาปรับใหม่ถ้าเคยทำอยู่จนจิตสงบแล้วเนี่ยให้ย้อนมาดูกายให้ย้อนมาดูใจตัวเอง แต่ถ้ากรรมาฐานเดิมที่เคยทำอยู่นะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจนะใช้ทำต่อไปได้แต่ต้องปรับวิธีนิดหน่อยนะให้มันตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันขึ้นวิปัสสนาให้ได้จริงๆส่วนใหญ่ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงนะเพราะปฏิบัติไม่ถูกหลักยกตัวอย่างนะสมมติว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธมันเนื่องด้วยใจพุทโธเป็นคาบริกรรม พุทโธจริงๆแปลว่าผู้รู้คือใจของเรานั่นเองงั้นเวลาเราหัดพุทโธก็ต้องพุทโธให้เป็นไม่ใช่พุทโธพุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองพุทโธอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบถ้าพุทโธเป็นเราก็หัดพุทโธพุทโธไปแล้วสังเกตใจเราจะเห็นว่าใจที่ท่องพุทโธนะเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธไปให้เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้ว พุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบเลยรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธไปแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตนี่ทำวิปัสสนาได้เห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นว่าจิตเป็นอนัตตามันจะหนีไปคิดหรือมันจะไปเพ่งหรือมันจะเผลออะไรเนี่ยมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะร้ายนะสั่งมันไม่ได้ คนไหนหัดรู้ลมหายใจนะันก็รู้ให้เป็นส่วนมากหายใจจนกระทั่งซึมๆไปขาดสติใช้ไม่ได้ถ้าหายใจให้ขึ้นวิปัสสนานะหายใจแล้วก็คอยรู้สึกกายหรือคอยรู้สึกใจไปพุโทโธนะันมันเป็นเรื่องนมามธรรมเป็นความคิดเพราะั้นเราก็เอาไปรู้สึกจิตใจแต่ลมหายใจนี่มันเป็นกายนะเร า, เาไว้รู้กายก็ได้รู้ขึ้นมาให้ถึงจิตใจก็ได้แล้วแต่ชั้นเชิงของเรา อย่างการรู้ลมหายใจนะจิตมันพลิกแปลงไปได้4แบบแบบที่1 ห, หายใจไปเรื่อยๆหายใจออกหายใจเข้าไปนะแล้วจิตเคลิมเคลิ้มขาดสตินี่หายใจอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้เพราะไม่มีสตินะหายใจอย่างที่สองหายใจไปเรื่อยๆแล้วจิตมันไหลไปจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะอย่างนี้เป็นสมถะ บางคนแทนที่จะรู้ลมหายใจอยู่ที่จุดเดียวนะจะรู้อยู่ที่จะงอยปากหรือปลายจมูกจุดเดียวแหมรู้สึกไม่พอก็สร้างฐานเพิ่มขึ้นมานะบางคนรู้ตั้งแต่กระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเพดานกระทบคอกระทบหน้าอกกนะระทบท้องไล่ๆล่ล่จดจ่ออยู่ให้จิตมันจดจ่ออยู่กับลมอันนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยนะไม่ขึ้นมิปัสนาหรอก อย่างที่สามนะถ้าเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราเห็นร่างกายเป็นหายใจจิตเป็นคนดูแยกรูปกับ น, นามเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอย่างนี้เริ่มทำมิปัสนาที่จะรู้กายได้เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากอย่างนี้เรียกว่าทามิปัสนาดูกายเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรา วิปัสน า, าทําไปเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะงั้นเราหายใจไปแล้วเราเห็นว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่นี้มันไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากคล้ายๆจิตกับกายมันแยกออกจากกนนันคนไหนที่ฝึกรู้กายแล้วก็จิตกับกายไม่แยกออกจากกันนะใช้ไม่ได้จริงนะใช้ไม่ได้เลยงั้นก่อนที่จะมาทำมํำวิปัสนาเนี่ยต้องแยกรูปแยกนาม แยกกายกับใจออกจากกันให้ได้ซะก่อนในโสรถยานนะในโสรถยานยานที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉ・เทยานแยกรูปกับนามเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูอยู่แยกอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเห็นความจริงนะพอใจมันแยกออกมาเป็นคนดูไม่จะเห็นความจริงว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่แยกออกมามจะไม่รู้สึกอย่างนั้นจิตจะถลำูปไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจได้สมถะ นี่3แบบแล้วนะแบบที่1หายใจไปแล้วขาดสติลืมตัวไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปั ส, สนาหายใจอย่างที่2จิตแนบเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะหายใจอย่างที่3นะจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิปั ส, สนาดูกายอย่างที่4เนี่ยเราหายใจไปแล้วจิตเราแอบไปคิดเราก็รู้ทัน จิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันนะจิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตไปทางไหนรู้ทันหมดหมดจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเป็นการทําวิปัสสนาดูจิตเพะฉั้นแค่ลมหายใจอย่างเดียวนะทำได้กว้างขวางเป็นกรรมฐานที่ทําได้เยอะแยะหลายแบบแต่ส่วนมากส่วนมากเลยจะไปอยู่แบบที่หนึ่งเคลิ้มๆไป ขาสตินั่งแล้วนะนั่งไปชั่วโมงหนึ่งบอกว่าสงบอย่างนี้เรียกว่าสลบนะไม่เรียกว่าสงบนะอีกพวกหนึ่งก็นั่งทุกทรมานนะเพ่งเพ่งเพ่ ง, เ พ, งเพ่งไปพวกไม่ได้เรื่องเหมือนกันแหละที่พูดเต็มปากเต็มคำพ่อหลวงพ่อชำนาญ น, นะหลวงพ่อทำผิดมา22ปีหายใจแล้วได้แต่สมถะขึ้นวิปัสนาไม่เป็น นี่คนไหนเคยฝึกพองยุบนะก็ทําได้4แบบแบบเดียวกันแบบอารมหายใจเหมือนกันนะฝึกพองยุบฝึกพองยุบแล้วขาดสติดูพองยุบไปเรื่อยๆจิตรวมปุ๊บลืมเนื้อลืมตัวไปนะขาดสติไปอันนั้นไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอันที่2ดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ท้องไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเลยจิตจับอยู่ที่ท้องอย่างเดียวนะหรือเดินจงกรมจิตไปจับอยู่ที่เท้าอย่างเดียวได้สมถะ จะขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงนะรู้สึกบูบบุบบ้บาบ้รู้สึกเหมือนมแมลงมาไต่อันนั้นบางคนไปโฆษณาบอกว่าเป็นวิปัสนาญาณความจริงไม่ใช่วิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเป็นชื่อของปัญญาญาณเป็นปัญญานะปัญญาที่เห็นความจริงอย่างวิเศษเลยคือเห็นไตลรลักษณ์ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาญาณ อ, อาการบูบบุบบ้บาบา้ทั้งหลายอาการตัวลอยตัวเบาตัวโครงอาการเหมือนแมลงมาไต่ เป็นอาการของสมถะกรรมฐานอาการของปิตินะงั้นส่วนมากเลยที่ทําเวลาดูท้องพองยบจิตไหลไปก่ออยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยมีสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะนะถ้าดูท้องพองยบชนิดที่สอันนี้ไม่ค่อยมีคนทําได้เท่าไหร่ละเราเห็นร่างกายเป็นทองเห็นร่างกายเป็นยบจิตเป็นคนดูนะ ทำนองเดียวกับที่เห็นร่างกายมันหายใจแล้วจิตเป็นคนดูนะั่นเองแบบเดียวกันเปรียบเลยจิตมันเป็นคนดูเห็นมันพองเห็นมันยุบมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าร่างกายที่พองที่ยุบอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานี่ทำมิปัสนาละนีปัสสารู้กายถ้าดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตมีปีติจิตสงบจิตฟุง้งซ่านก็คอยรู้ไปเรื่อยๆ อันนี้อาศัยดูท้องพองยุบแล้วมารู้ทันจิตเป็นการทํำวิปัสนาดูจิตนี่คนไหนจะฝึกอิริยาบถ4ี่ยืนเดินนั่งนอนมันก็ทําได้4แบบอีกดูยืนเดินนั่งนอนแล้วเคลิ้มเคลิ้มขาดสตินี่ใช้ไม่ได้อย่างที่1อันที่2ไปเพ่งร่างกายมัเหมือนมีคนนึงดูอยู่จากข้างบนนะแล้วก็จ้องลงมาเพ่งร่างกายร่างกายจะกระดุกกระดิกนะรู้สึกหมดเลยทําอะไรรู้สึกหมดเลย จิตมันเข้าไปแนบอยู่ในกายไปเพ่งอยู่ที่กายอย่างนี้ใช้ไม่ได้ได้อย่างสูงสุดเป็นสมถะถ้าอย่างที่3นะรู้อิทิยาบทสเ่มันเหมือนใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูใจจะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานี่ขึ้นวิปัสสนาดูกายบางทีรู้ยืนเดินนั่งนอนนะแล้วจิตมันไปแอบทาอะไรเพราะเราแยกกายกับจิตเนี่ย พอจิตมาแอบขยับยเยิ่นเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันอยู่เราจะเห็นว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ น, ะนี่ทำวิปัสสนาดูจิตบางคนฝึกอย่างหลวงพ่อเตียนนะขยับไม้ขยับมือไปนะก็มี4แบบพวกหนึ่งขยับแล้วใจลอยออกนอกวัดไปเลยนะหลวงพ่อเจอเยอะนะสมัยหลวงพ่อเตียนยังอยู่เคยเข้าไปกราบท่านขยับหลวงพ่อเตียนขยับแล้วตื่นนะลูกศิษย์ขยับแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะพวกหนึ่ง นี่ขาดสติใช้ไม่ได้ไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอีกพวกหนึ่งขยับด้วยความเคร่งเครียดนะจิตไปจ่ออยู่ในมือจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่ที่เมือนเดียวนะได้แต่ความสงบอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเพ่งแรงๆก็เครียดถ้าเพ่งเบาๆนะพอรู้เบาๆไม่ให้หนีไปที่อื่นเลยก็จิตก็สงบลงมานะเป็นสมถนะงั้นดูท้องฟองยุบก็เหมือนกันนะถ้าดูแรงๆนะสมถะก็ไม่ได้เครียดอย่างเดียว ถ้าดูเบาๆดูเล่นๆจิตสบายแล้วจิตจะสงบเป็นสมถะเนี่ยกรรมฐานอะไรเหมือนกันหมดนะทุกกรรมฐานหรือขยับมือไปแล้วจิตหนีไปคิดอย่างสายลงพระเตียงขยับแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ในมือขยับแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่ารู้ทันจิตทำวิปัสสนาดูจิตเห็นมกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะ เนี่ยพวกที่รู้กายนะก็มันจะรู้ได้4แบบออกไปบางคนดูแบบท่านโกเอนกาจะดูอย่างท่านโกเอนกาทําวิปัสสนาได้ไหมทําได้ถ้าทําเป็นนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นอีกนั่นแหละถ้าทําเป็นแล้วก็ขั้นแรกเลยต้องทําสมถาก่อนก่อนจะดูเวทนาอย่านึกว่ากูเก่งแล้วไปดูเวทนาไม่ได้กินหรอกนะสติจะแตกอองเพราะว่ามันทุกข์งั้นจิตต้องสรงฌานซะก่อน ส่วนมากก็ก็จะฝึกหายใจฝึกอะไรไปจนจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วค่อยมารู้เวทนานั่งลงไปเรารู้เวทนามันจะเห็นเลยตอนแรกนี่เป็นอุเบกขาเวทนาไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนั่งนานๆนะอุเบกขาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนามันเจ็บมันปวดขึ้นมาความเจ็บความปวดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะนี่มันไม่เที่ยงให้ดูความเจ็บความปวดไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เห็นเวทนาไม่ใช่เราแล้วการที่รู้เวทนาเนี่ย ม, มันจะรู้กว้างขวางมันจะรู้กายด้วยเพราะกายมันเป็นที่อาศัยของเวทนามันจะเห็นในร่างกายที่มันนั่งสมาธิอยู่เนี่ยแล้วเวทนามันเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ใตัวเราแล้วก็จะเห็นจิตด้วยจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี้จิตผู้รู้กายจิตผู้รู้เวทนามันอยู่ต่างหากทําไมมันอยู่ต่างหากได้เพราะมันทําสมาธิมาล้จิตตั้งมั่นแยกออกมาอยู่ต่างหาก เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งนี่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนี้บางคนจะดูจิตบางคนดูจิตดูใจนะดูจิตไปแล้วก็เคลิ่มขาดสตินะนี่พวกที่หนึ่งพวกไม่เอาไหนนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาพวกที่สองดูจิตไปเป็นว่างขึ้นมาแล้วก็จับอยู่ในความว่างนิ่งๆว่างๆสบายสว่างนี่หลวงพ่อทเก่ง ว, ว่างๆเงี้ยนะได้สมถะที่ทําเก่งเพราะอะไรเพราะโง่มานานไม่ใช่เพราะเก่งนะเพราะโง่นั่นแหละโ ม, มคลำๆอยู่แล้วไปติดอยู่ที่สมถะนี่งั้นดูจิตก็ติดสมถะได้นะไม่ใช่ดูจิตติดสมถะไม่ได้มีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทําสมถะอย่างจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยเอาไปทําสมถะไม่ได้มีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทําสมถะตัวที่1ชื่ออากาสานัญจา ย, ยตนะจิต ชื่อก็ยาวาหนึ่งแล้วนะฟังเราก็ปวดหัวอีกตัวหนึ่งชื่ออากินจัญญายตนะจิตอากาสานันใจยตนะคือจิตที่เพ่งช่องว่างอย่างเราเวลาเราภาวนาเรารู้สึกไหมมันว่างๆในใจเราจะว่างๆนะถ้าเราเอาจิตจับเข้าไปในความว่างไปพักผ่อนอยู่ในความว่างพักผ่อนในความว่างเนี่ยจะเป็นสมถะอีกดวงหนึ่งเรียกว่าอากินจัญญายตนะเพ่งความไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยนะปล่อยกระทั่งตัวรู้ไม่จับอะไรสักอันเลยเพ่งความไม่มีอะไรเนี่ยดูจิตก็มีโอกาสติดสมถะได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเสมอไปเพราะฉนั้นถ้าจิตไปจับเข้าความว่างไปจับเข้ากับความไม่มีอะไรกลายเป็นธรรมสมถะอย่านึกว่าดูจิตแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาะแบบที่3แบบที่1นะึ่นะดูแล้วลืมตัวไปแบบที่สองดูแล้วไปจับความว่างหรือความไม่มีอะไรเป็นสมถะ แบบที่3ดูจิตไปนะเราจะเห็นจิตมันทำงานได้เพราะอาศัยกายเนะช่นตามมองเห็นนะจิตก็จะทำงานขึ้นมาหูได้ยินเสียงจิตก็ทำงานขึ้นมาเช่นเสียงเขาชมจิตก็พองขึ้นมานะเสียงเขาด่าจิตก็เดือดปุดปุดป ด, ป ด, ปดขึ้นมานี่มันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนะรู้ได้ทั้งกายรู้ทั้งจิต เราจะเห็นเลยกายนี้มันทํางานไปอัตโนมัติเป็นแค่สื่อเป็นแค่ช่องทางนะหรือเรียกว่าอายตนะเป็นช่องทางเท่านั้นเองนะที่อารมณ์จะมากระทบเข้ามาให้ถึงใจอาศัยช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายนะี่หรือบางทีไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะอาศัยใจอย่างเดียวล้วนๆความรู้สึกทางใจก็ผุดขึ้นมาเองอาศัยสัญญาและเวทนาอาศัยสัญญาและเวทนาเนี่ยก็ทําให้จิตทํางานขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาในทางจิตอย่างเดียวได้ มัมนดูจิตเนี่ยจะดูจิตลว้วนๆก็ได้นะดูจิตเนื่องด้วยกายก็ได้เราค่อยดูไปถ้าเรามีกายอยู่ด้วยตามองเห็นรูปถ้าจะดูจิตจะทํำยังไงพอตามองเห็นรูปจิตมันยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่ไปรู้รูปนะหูได้ยินเสียงจิตมันยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยจิตมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันสมมุตินะเรากําลังเดินเดินอยู่แม้มีมือนุ่มๆเดินอยู่ ข้างวัดเนี่ยมีมือนุ่มๆมาจับเราสงสัยสาวมาจับเรานะใจใหม่มันดีใจหันไปดูเอ้ากลายเป็นผีมาจับแล้วนะมันตัวมันเละๆต่างหากมันไม่ได้นุ่มๆนะเนี่ยจิตที่ดีใจพลิกปั๊บเป็นกลัวหันมาดูอีกทีเอ้าไม่มีอะไรจิตหลอนไปเองเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะจิตหลอนไปเองหายกลัวรู้ว่าหายกลัวนเนี่ยรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจ กรรมฐ า, านอะไรก็ได้นะหลวงพ่อไม่ได้กีดกันว่าต้องสายนั้นสายนี้ขอให้กรรมฐ า, านนั้นเนื่องด้วยกายด้วยใจก็ใช้ได้ด้วยกันทั้งหมดถ้าการรมฐานใดไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็ได้แต่ส ม, มถะนะแต่กรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็ไม่ใช่จะขึ้นวิปัสสนาได้ทั้งหมดถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์นะไม่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่วิปัสสนาแต่กลายเป็นสมถะ นะเช่นรู้ตัวรู้ลมหายใจจิตเป็นแนบอยู่กับลมเป็นสมถะนะจิตเป็นแนบกับมือกับเท้ากับท้องเป็นสมถะทั้งหมดเลยนั่นะต้องเห็นไตรลักษณนะ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาะเห็นไหมว่าโอกาสที่คนคนหนึ่งจะขึ้นสู่วิปัสสนายากที่สุดเลยอันแรกที่สุดเลยต้องรู้กายรู้ใจคนในโลกนี้ไม่ชอบรู้กายรู้ใจตัวเองชอบรู้กายรู้ใจคนอื่น หรือชอบให้คนอื่นมารู้ใจเราเนะี่ยแทนที่จะรู้ของตัวเองนะอยากให้คนอื่นเข้ามารู้ของเราไม่ขึ้นวิปั ส, สนาหรอกเพราะวันๆไม่เคยสนใจกายกับใจของตัวเองสนใจแต่คนอื่นสังเกตไม้มเวลาเราลืมตาขึ้นมาเราต้องดูคนอื่นก่อนมีใครมไ้มที่ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วดูตัวเองก่อนมีนะถ้าปฏิบัติจนช่ำชองนะพอตื่นขึ้นมันมจะรู้ตัวเองก่อนนอนอยู่ท่าไหนนะขาควายกันยังไงนี่รู้หมดเลยนะรู้เลยจิตใจเป็นยังไงนี่รู้หมดเลย จิตมันจะถอนออกมาจากความมัวมัวตอนนอนหลับนะถ้าไม่ใช่พระลรหันเนี่ยตอนนอนหลับจิตมันจะมัวมัวไปนะพอถอนถอนถอนเขึ้นมาเห็นมันถอยขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนี่สว่างขึ้นมาถ้าเป็นพระลรหันแล้วเนี่ยไม่มีมัวมัวขึ้นมานะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็สว่างเลยนะพวกเรามีไหมมัวมัวใครไม่มีก็ได้เป็นพระละหันละนะแต่ส่วนมากจะเป็นหมูหันนะ หันซ้ายทีหันขวาทนะีค่อยฝึกเอานะไม่ยากหรอกเนะี่ยจับหลักให้แม่นแล้วจะรู้ว่าคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ปฏิเสธดอกสำนักไหนนะยกเว้นสำนักเข้าทรงนะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อซับเฟอร์มากเลยลกับจตุคามรามเทพคือชาวพุทธเราไม่สนใจศึกษาธรรมะหน้าอาเนตอานาฏที่สุดนะอะไรนึกว่าจะพาให้เฮงพาให้ดีก็เอาพร้อมจะขายพระพุทธเจ้า นะเพื่อโชคลาภเพื่ออะไรเราพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้แมวสามขาหมาหกขาอะไรเราก็นับถือได้หมดนะต้นกล้วยต้นหมากนะก้อนอิดก้อนหินเรานับถือได้หมดอนะขอให้มันเห็งก็แล้วกันนี่แสดงว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรเป็นสารณะรู้ไหมเรามีผลประโยชน์เป็นสารณะเราไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะเราพร้อมจะขายทิ้ง เงี้ยพวกเราที่มาที่นี่นะหลวงพ่อยกย่องนะพวกเรามาที่นี่หลวงพ่อไม่มีอย่างอื่นให้เลยโชคลาภอะไรก็ไม่มีให้นะแต่ว่าพวกเรามาเรียนธรรมะแล้วเราพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราพบว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงนะสอนให้เรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจในความทุกข์มันกระเด็นหายไปได้มันหายได้จริงๆรนะินี่พวกเราเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเลยพากันมาเรียนเยอะแยะนะทุกวันนี้ หลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะคนไหนไม่มาหลวงพ่อก็เฉยๆหน้าไม่ว่าหรอกไม่มาเราก็ไม่เหนื่อยอวันนี้เนื่องจากต้องไปข้างนอกขอตรวจการบ้านก่อนคนอยู่วัดสี่คนนะ้ําไม่มีการบ้านนะเหมือนเมื่อวานนะแ ค, ะแคยังจะส่งอีกเหรอ <laughs> เดี๋ยวก็มาส่ง <laughs> อีกนอนหลับไม่หลับ <laughs> ว่าไง เหลออ้าวสั้นๆนะเดี๋ยวได้แบ่งกันเมื่อวานนี้รายงานไม่หมดที่ว่าเห็นจิตมาลงไปคุกอยู่ไม่รู้กระทะหรือหลุมอะไรเราก็ไม่รู้ทำไมมันเหมือนตัวเองจื่ดูอยู่แล้วจิตมาลงไปคุกห่างพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวฉันรอไม่ไหวแล้วเธอไม่ขึ้นมาฉันก็จะไปละเราก็เดินจงกรมดีกว่าพอเดินไปไม่กี่ก้าว อ๊เห็นผู้หญิงเดินอยู่ข้างหน้าห่า ง, งประมาณเกือบสองเมตรเอ๊ะชุดนี้มันชุดของเราใส่นี่นะอืมมองไปอุ้ยมันตัวเราเนี่ยแล้วฉันจะตามเธอทันได้ยังไงเออนั่นแหละมันเป็นยังไงนะรู้ลูกเดียวเลยอันนี้นี่อย่างน้อยนะมีพระองนึงลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันท่านสอนให้ดูกระดูกนะเสร็จแล้วไปเดินจงกลมนะเห็นตัวเองเป็นกระดูกนะเงยหน้าขึ้นมาอา้าวกระดูกของตัวเองก็อยู่ข้างหน้าอันหนึ่งข้างหลังอันนึงข้างซ้ายข้างขวานะ ล้อไปด้วยกระดูกเลยเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยกระดูกไม่ใช่จิตเราปรุงแต่งเองหรือะจิต <ๆ S 2> มันปรุงแต่ง<อ>จิตมันปรุงแต่งทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เห็นเป็นวัตแบบถุธาตุนะคะตอนนั้นนั่นแหะของจริงอ๋อค่ะเพราะว่าจริงๆนะจิตเราเป็นวัตถุธาตุจริง ๆ, ๆเราไม่ได้มีตัวหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าเราไปเห็นตัวเราเองเดินอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวนัน่นก็คือจิตมันปรุงขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงของไม่จริงไม่เอาเอาของจริง งั้นเขารู้สึกอยู่ในกายเขารู้สึกอยู่ในใจไ้มเนี่ยมันติดอยู่ในใจนะคะทำอะไรต่ออย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เรียกว่าไปติดอยู่ทื่อๆต้องออกมาอยู่ข้างนอกนีออกมาก็ต้องเช้านี่ยอาหดีขึ้นเมื่อวานนี้หนักมากเลยต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะเล็กใช้ได้นะมสการ์คุณคะครับคุณอ้าวไปยกมือยกมือวันนี้ยกแล้ววันนี้หลวงพ่อจะเล่นระบบรวดเร็ว การธรรมะการครับหลวงพ่อจิตมีโมหะดูออกไหมไม่ออกครับรู้สึกไหมมัวมัวไปมัวครับเออนั่นมัวมัวนัเป็นผลของโมหะนะครับมันไม่แจ่มใสมันไม่สดชื่นครับจะทํายังไงดีไม่ทราบครับรู้อย่างเป็นกลางครับมัวรู้ว่ามัวนะอย่าดิ้นรนให้หายครับแต่ไม่ใช่มัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามัวหนีไปคิดเรื่องอื่นครับยังไงนะเราจะภาวนาดีอะไรเนี่ยครับคือเรียกว่าเราไม่รู้สภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ครับนะ มีคําถามนึงครับหลวงพ่อเวลานั่งในรูปแบบนี่จะนั่งได้นานมากคือดูจิตอย่างเดียวนะฮะจะนั่งได้30สิถึงห้าสิบนาทีแ ล, ล้วเหรอเบื่อก็รู้ว่าเบื่อเซิงก็รู้ว่าเซิงท้อก็รู้ว่าท้อก็รู้อยู่อย่างเงี้ยจนเวลามันผ่านไปแค่ไหนนี่ก็ไม่ทราบแต่โปมาดูปุ๊บจะห้าสิไม่ก็สาสิบนาทีไม่ทราบว่ามันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นยังไงฮะหลวงนั่งให้หลวงพ่อดูใช่วางไมลลงอย่าน้อมจิตไปนะรู้สึก รู้สึกไหมเราส่งจิตไปดูให้รู้ทันว่าส่งจิตไปดูนะถึงจะเรียกว่าดูจิตเพราะจิตเราไหลไปเรารู้ว่าจิตเราไหลไปดูของคุณไม่รู้ว่าจิตไหลไปดูของคุณให้มันไหลไปก่อนแล้วค่อยไปดูอันโน้นอันนี้ที่ปรากฏช้าไปขั้นหนึ่งต่อไป น, นี้นั่งใหม่นะนั่งแล้วก็จิตเคลื่อนไปดูเรารู้ทันครับอ๋อที่ที่มันเพลินเพราะว่าเราไปตามมันใช่ไหมใช่แล้วถลําลงไปรเราลงไปแช่อยู่กับอารมณ์มันเลยซึมไป มอาหาแทรกครับให้รู้ก่อนเอาใหม่เอาใหม่วางใหม่ลงแล้วทาใหมเ่เนี่ยนี่อย่าเริ่มต้นอย่างนี้ถอยขึ้นมารู้สึกไหมเราเริ่มต้นด้วยการน้อมจิตให้นิ่งอย่าเป็นน้อมจิตนะทำความรู้สึกตัวไว้อย่าให้ขาดสติรู้สึกไหมหจิตสายไปสายมายเออรู้เรารู้อย่างนั้นแหละเห็นว่าจิตมันสายนะเราเป็นคนดู สัง เ, เกตไหมคนดูไม่ได้สายด้วยแต่อย่าไปเพ่งใส่คนดูนะเอาแกเอาแค่นี้ก่อนเรียนเยอะเดี๋ยวปวดหัวตายขอบคุณครับหลวงพ่ออ่านัน่นเบอร์15เดี๋ยวนะ้าแนนเอาไว้ก่อ น, อ น, นคือเขาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันแน่นๆนะคะแน่นเพราะบังคับไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าอยากปฏิบัติร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้น จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นองั้นไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการไปจ้องมันไวเริ่มต้นด้วยการไปจ้องไว้มันจะหนักขึ้นมาให้รู้สบายๆนะอามันนี่แนแนแนนไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดทำยังไงถึงจะเข้าใจอะคะ่ะอย่าทําเลยเวลาถูกอาจารย์ซุบว่านะโมโหไหมเคยว่าไหมไม่เค ย, ยเข้าชมอย่างเดียวเลยปะ เวลามีคนมาว่าเรารู้สึกไม่เราไม่สบายใจเวลามีคนมาชมเรานะเราพอใจอย่างเงี้ยนี่ยให้เราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีอย่างนี้มากระทบใจก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้มากระทบใจเปลี่ยนเป็นอย่างนี้พอเราเห็นเพื่อนเราเรารู้สึกดีใจใช่ไหมเราเห็นศัตรูเราเราเกลียดความรู้สึกเราเกลียด ให้คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะฝึกแค่นี้แหละพอละอ้าต่อไปอ้าวอันนี้นะเดี๋ยวไปโน่นมรสการครับหลวงพ่อเกิดเวทนาทางกายคือพอดีเป็นความดันต่ําครับก็เลยมึนๆตื้อๆพอไปแตะแล้วรู้สึกมึนหนืดๆครับช่วงนี้จะภาวนายัางไงครับหรือว่าให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางครับนะ เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่เราจะตายจริงๆนะมันทรมานมากไม่ใช่ไปดูให้มันสบายให้ไปดูแล้วก็รู้ทันจิตของเราเองจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างขนาดนี้จิตเปลี่ยนจากตะกี้แล้วรู้สึกไหม เ, ออเมื่อกี้โมหะเข้าไปอยู่อ่ะก่อนนิดนึงครับหลวง<ม>พ่อ <จบ S 1> แสดงนะว่าเวทนาทางกายไม่ต้องไปสนใจดูแต่จิตใช่ไหมครับจิตที่ไม่ชอบดูดูจิตไแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่คําตอบนี้เป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับทุกคนนะบางคนก็ต้องดูเวทนาบางคนก็ต้องดูกายบางคนก็ต้องดูจิตไม่เหมือนกันน้ำส ก, การครับหลวงพ่อครับก็ได้มากราบหลวงพ่อหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากจะขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมีช่วงนี้ครับที่เริ่มรู้สึกว่าเออบางทีพอมองเข้าไปปุ๊บมันมั น, มนเหมือนกับมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็ ก, ก็ไม่ได้ไปสนใจมั น, นครับแล้วก็บางทีก็จะเกิดสภาวะที่บอกว่าอยู่ๆผมจับโฟกัสไม่ได้ผมผมตามองตาตามองแบบเบลอๆแบบไม่มีโฟกัสแล้วพยายามรู้ตัวนะครับใจก็คิดสมองก็คิดว่าเอ้ยนี่เป็นอะไรอยู่พยายามจะถอนออกมาก็ถอนไม่ได้แต่ใจรู้เรื่องให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยรู้อย่างเป็นกลางไม่ต้องไปกงไังวลงใจไม่ต้องไปสงสัย มันจะเป็นจะตายอะไรช่างมันรู้ลูกเดียวเลยครับตอนนี้รู้สึกว่ารู้รู้แล้วก็คือก็ก็รู้อย่างเดียวครับรู้แล้วไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้นะของคุณเริ่มกังวลใจแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันเนี้ยนะครับให้รู้ลูกเดียวนะไม่ต้องใส่ชื่อชื่อไม่สำคัญหรอกครับแล้วพอฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆเนียรู้สึกว่าคือได้ยินคำานึงว่าติดติดสมถะ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเองติดสมถะหรือเปล่าบางครั้งขณะนี้รู้สึกไหมเราไปกดตัวเองไว้นิดหนึ่งรู้สึกครับถ้ากดเป็นครั้งคราวก็ไม่เรียกว่าติดนะถ้ากดทั้งวันนติดแน่เลยครับขอบคุณครับนรมัสการท่านค่ะเพิ่งมากราบท่านที่นี่เป็นคนแรกค่ะอยากให้ท่านช่วยชี้แนะค่ะต้องช่วยตัวเองนะหลวงพ่อชี้แนะแล้วต้องช่วยตัวเองหลวงพ่อไม่สามารถช่วยใครได้ช่วยตัวเองด้วยการเรียนรู้ตัวเองไป คอยรู้สึกตัวอย่าลืมตัวเองนะรู้สึกไกลรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยตอนเนี้ไปทําให้ทื่อๆและรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่เอานะอย่าไปน้อมใจให้ทื่อๆให้มันเป็นธรรมชาติรู้ไปสบายๆเนี่ยเข้าไปทื่อๆและรู้สึกไหมอ อ, ออกมานะอย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วติดแหกอยู่ตรงนั้นอนะอยู่หลายปีนะเสียเวลาตรงนั้นไม่มีปัญญาอ้าต่อไป อ้ยยกมือเชิญอเออเที่ยวก่อนมาหลวงพ่อบอกผมติดเพ่งนะครับตอนนี้มันแล้วมองออกไหมว่าเพ่งอ่ะออกแล้วครั บ, รบรหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมอ๋อไม่ครับบางคนนะมันติดเพ่งเราบอกว่าติดอยู่ไม่เห็นนะนึกว่าหลวงพ่อใส่ร้ายครับ <c oughs> แล้วอย่างตอนนี้อาการเพ่งดีขึ้นไหมครับดีขึ้นน้อยลงนะน้อยลงรู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้ครับ ถ้าหากเราเพ่งไว้นะทุกอย่างจะนิ่งร่างกายก็นิ่งๆิ่งจิตใจก็นิ่งนเมื่อนิ่งๆิ่งแล้วไตรลักษณ์จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมีแต่นิ่งๆิ่งแต่พอเราไม่ได้ไปเพ่งนะเราให้ร่างกายไปเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาจิตใจเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาเราค่อยรู้ไปเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวจะเห็นไตรลักษณ์จิตใจเนี่ยถ้าเราไปเพ่งนะเนี่ยอยู่3วัน3คืนก็ไม่ไปไหนนะนิ่งๆิ่งไม่มีไตรลักษณ์ แต่พอเราไม่ได้เพ่งนะมันเคลื่อนไหวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูนะเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินมิปัสสนาได้ของคุณผู้ชายนั้นติดเพ่งนะอย่างที่น้อมใจไปตะเกีย่น้อมใจให้ซึมไปเลยซึมแล้วมันจะเบลอๆไม่ค่อยรู้อะไรอะพยายามรู้สึกตัวให้ชัดๆนะเอามือลูบหน้าที ให้มันรู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นมาเออให้อย่างนี้ไว้นะอย่าไปไม่เอาอ่ะอย่างนได้อีกหนึ่งคนกาบนาะมัสาการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาแล้วช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าจะมีหลงอยู่บ่อยไม่ไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่นี่ติดเพ่งไหมถ้าหลงมันจะไม่ค่อยเพ่ง<ะ>มันจะไหลๆๆไหลไครัปเพ่งไว้ก็ไม่ค่อยจะหลง ทื่อๆนิงน่งๆอยู่กันละรู้ตัวอยู่กันนะของคุณตอนนี้ยังเพ่งอยู่นะยังเพ่งอยู่ยใช่มจมันแข็งๆอยู่รู้สึกไหมสึกนะมันทื่อๆมันนิงน่งๆแข็งๆครับอันนี้น เ, นเกิดจากการเพง่งทําไมต้องเพง่งอยากปฏิบัติใช่อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากพ้นทุกข์นะถ้าใจเรามีความอยากใดๆขึ้นมาคุณรู้ทันไปเลยครับถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะไปเพ่งเอาไว้นะอ่ะไปเชิญทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์ เดี๋ยวรอบซ้ายก็ต้องเร็วหน่อยนะเหนื่อยเร็วๆแล้วเหนื่อย